พระธรรมเทศนาแผ่นที่8ปาลำดับที่11อโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่8มีนาคม2559มีชื่อเรื่องว่าเอาธรรมและวินัยแทนบรมครู วันนี้เป็นวันที่แปดมีนาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้ามื่อวานเป็นวันพระแรมสิบสี่ค่ำเดือนสามแปลว่าเดือนสามดับแล้วลูกหลานนะเดือนสามันหมดเมื่อวานเนี่ยแต่วันนี้ใครๆดูๆนะเขาว่าสุริยคาตนะวันนี้ประมาณทั่แปดโมงกว่า ก็บ่ากบกินตะวันแล้วมันเนี่ยภาษาทางอีสานกบกินเดือนกบกินเดือนกบกินตะวันมันก็เหมือนโตวกบมันคาบมันคาบพระอาทิตย์บางท่าก็เกือบกินทั้งหมดบางที่คือครึ่งหนึ่งก็มีบางที่เสียดสิวก็มีกบกินเดือนโคมคนโบราณพอเห็นกบกินเดือนก็นั่นนะใครอยู่ที่ไหน เคาะกะโหลกกลาเฮ้เคาะคอนเคาะคอนเลยเออให้ช่วยช่วยประธิดช่วยพระจันทร์กลัวมันกลัวมันจะตายไอกลัวมันจะหมดกลัวมันจะดับอะมนุษย์ช่วยไม่ให้กบไม่ให้กบมันกินทั้งหมดนะเออผู้มีปืนผาหนาไม้มีผู้มีอะไรก็ยิงสนั่นวันไว้จะหมายหลวงพ่อเป็นเด็ก ชาวบ้านกันเนี่ครับปืนแกป๊ปปืนทาเองพอได้ยินเสียงโอ้โหบางทีมันเทีย่ยงคืนก็มีตีหนึ่งตีสองก็กำลังนอนหลับๆเสียงสนันวันเปรียบเหมือนกับโชครับตบศึกลักษณะอย่างนั้นแหละคนโบราณนะชาวบ้านบ้านไหนก็บ้านนั้นอย่างนั้นก็เป็นจำเนยนขึ้นอยู่ภูโจกมันมีหลายหมู่บ้าน ล้อมรอบตีนเขาปูจาก้อนพอเดือนนั้นล่ะพอกบกินเดือนอาจาระใชัยไม่ได้เลือกไว้ล่ำเวลาเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเสียงต่ำพอต่ำเสียงสนา่นวันไว้ในละแวกนั้นทั้งหมดทั้งหมู่บ้านอันนี้คน โบราณเนีพูดเราๆให้ลูกให้หลานฟังต่อไปก็คงจะหมดแล้วบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองสมัยหลวงพ่อเป็นเด็กก็บอากบกินเดือนท่ากลางวันก็บอกกบกินตะวันอแต่ปีหนึ่งเดี๋หลวงพ่อจําไม่ลืมเป็นเรยนน้อยเรียนเป็นเด็กเรียนหนังสือโอ้จนไก่เนีเข้ารกเลยแล้วว่างั้นเถอะเออมันมืดถึงขนาดนั้นล่ะมืดสลัวเลยนะ เห็นปีนั้นแหละที่ผมมันมันเข้าไปทั้งหมดเลยเข้าไปในท้องกบทั้งหมดเลยอยงั้นนะมันบางมิดแหละแต่มันบางมิดถึงขนาดนั้นก็ไม่ทราบแต่มันเป็นบางปีบางปีก็เสียดสิวและเมื่อวานเป็นวนันครอบรอบหลวงปู่จันสมวันทันบรณภาพหลวงปู่จันส ง, ปนสงปนสเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เทศ เทรังสีเป็นหลานของท่านหลานผู้ใหญ่ท่านก็สร้างวัดป่านาศีดาตำบลกลางใหญ่อําเภอบ้านผือเราเนี่ยแหละแต่ท่านมรณะภาพมาสิบปีตอนมรณะภาพก็หลวงพ่อเนี่ยได้ไปไประชุมหาลือสร้างเจดีถวายองค์ท่านก็บดไปหลายเงินเหมือนกันนะสวยงามเหมือนกันบริษัทษเสาหลักเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง จากนั้นก็ น, นิดแต่ละงานแต่ละปีหลวงพ่อก็ได้ไปแสดงธรรมเพระหาพะระเถระหาพระผู้ใหญ่ไปแสดงธรรมก็ยากเดี๋ยวนี้เมื่อคืนนี่หลวงพ่อกไปไม่ได้ไปสวดมนต์กับท่านหรอกพอไปถึงก็สวดมนต์เสร็จหลวงพ่อก็ขึ้นไปแล้วก็ขึ้นในหมนุดขึ้นธรรมาทุเลยแสดงธรรมหลวงพ่อก็มองมองดูแล้วว่าการแสดงธรรมกล่าวในครั้งนี้คืนนี้ ครูบาอาจารย์ก็มากเกือบเป็นเกือบสองสองร้อยอะนะพระมากนะหลวงพ่อเกิดขึ้นไปถ้าจะแสดงสแสดงธรรมมากใช้เวลามากทำให้เสียเวลาหลวงพ่อ็เลยเทศประมาณสักยี่สิบนาทีมั้งน่าไม่น่าจะถึงสามสิบนาทีหลวงพ่อไปที่ไหนโดยมากต้องดูการสถานที่การเทศะ พอเทศจบแสดงธรรมจบลงเจ้าภาพก็ถวายจตุปัจจัยทางวัดถวายหนึ่งมืนบาทหากแสดงกันเทศศรัทธาญาติโยมถวายอีกหมื่นสี่พันบ่คือหมืนสี่พันอะไรหกร้อยอะไรหลักลักษณะนั่นะรวมแล้วสองหมืนกว่าเหมือนกันนะหลวงพ่อเทศไม่ไม่ถึงสามสิบนาทีได้เงินสองหมืน ได้ปัจจัยหลวงพ่อเออเอาหลวงพ่อรับแล้วนะออหลวงพ่อรับแล้วเขามอกให้เจ้าอาวาสให้ดาเนินการทําบุญทําทานอันไหนจะได้ใช้เพราะงานใหญ่ขนาดนี้มันก็ต้องใช้เจตุปัจจัยมากนั่นแหละหลวงพ่อมอบคืนให้นะ้ถวายคืนหลวงพ่อยังไม่รับหรอกเพราะมันน้อยเกินไปถ้ามามากกว่านี้หลวงพ่อจะเอาอยู่ พวกพวกตถาญาติโยมที่นั่งอยู่หัวลาเฮินหลวงถ้ามันมากหลวงพ่อจะเอา น, นี่มันน้อยเกินไปส่งให้เจ้าของคื น, นแต่ยาหลวงปู่จันสมมีเท่าไหร่เอาทั้งหมดนะหลวงพ่อเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ในยาของหลวงปูเ่เลยเขาเลยถวายมาเนี่ยวันนี้ก็เลยแจกทธาญาติโยมลูกหลา น, นเป็นยา ของหลวงปู่ที่เป็นตนตำรับที่ท่านได้บอกกล่าวให้ลูกหลานท่านพาธรทำแล้วก็แจกเป็นยาสมุนไพรที่ได้ผลลูกหลานก็เลยสืบทอดมาผลงานครอบรอบท่านาปีหนึ่งก็มาแจกกันครั้งหนึ่งหลวงพ่อไปเมื่อวานเนี่ยก็เลยแจกให้หลวงพ่อ หลวงพ่อมาแจกต่อให้ญาติโยมพระเนนเอาไปใช้นะเป็นยาสมุลลนไพรเมื่อวานคืนกลับมากะเกือบสี่ทุ่มนั้นลูกหลานีนนพาละทุละของหลวงพ่อแต่เมื่อคืนหลวงพ่อไม่ได้ลงมานะแสดงไม่ลงมาเทศก็เอาเอาปากกระป๋องมาเปิดเอาเครื่องกระป๋องมาเปิดให้ลกูกหลานได้ฟัง แต่ถึงยังไงหลวงพ่อก็มั่นใจเสียงดังฟังชัดกูบาูบาผู้ที่จะออกมาเปิดให้หมูฟังก็ต้องฟังซะก่อนนะมีสาระมีประโยชน์ซะก่อนเข้ากับยุคสมัยการเวลาจะค่อยออกมาเปิดให้ฟังเมื่อเปิดขึ้นมาฟังแล้วกันนะหลวงพ่อเองมั่นใจ ว่าเป็นธรรมเทศนาเรื่องเป็นแนวความคิดของหลวงพ่อที่ได้พูดได้กล่าวเอาไว้แล้วก็พร้อมกันวันนี้เป็นวันอุโบสถนระลูกหลานทั้งหลายนะบอกบอกกล่าวกันเที่ยงพวกเราจะได้ลงอุโบสถละ ว, วั น, นแต่วันพระเมื่อวานแต่วันนี้เป็นวันลงอุโบสถที่สล า, าหลังนี้แหละจะได้บอกได้ตามกันให้บอกกันไว้แต่เนิ่นๆนะพวกพะ เก่านะบอกพระใหม่ยังไม่รู้ก็ต้องฟังส5้าวันส5้าวันลงอุโบสถครั้งหนึ่งเป็นการทบทวนเรื่องศีลและวินัยของพระบวชเข้ามาแล้วศนะีลสยยีิบเจ็ข้อนะคืออะไรบ้างไม่ใช่ว่าบวชเข้ามาแล้จะจะมีศีลเลยไม่ใช่นะมันต้องรักษานะอย่างพวกเราท่านทักหลายนะ สินห้ามีอยู่แต่เราไม่รักษาสินก็จะอยู่กับเราได้อย่างไรพระก็เหมือนกันพระก็บรรพุทธเจ้าบญญัติวินยัยแต่พวกเราไม่รักษาวินยัยไม่รักษาสินไม่รักษาวินยัยไม่รักษา ก, ษากฎระเบียบเราจะเป็นจะถือว่าเป็นผู้มีสินได้อย่างไรสินและวินยัยยังมีอยู่ตราบใด ศาสนาของพระพุทธเจ้ายังอยู่ตราบนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วธรรมและวินัยนั่นแลจะเป็นศาสดราเป็นครูของพวกท่านทั้งหลายให้พวกท่านท่านทั้งหลายยึดหลักพระธรรมวินยัยให้ฟังเชื่อฟังหลักพระธรรมวินยัยนั่นแหละจะเป็นศาสตราเป็นเครื่องกล่าวเตือนพวกร่นพวกท่านนะ นี่แหละอันนี้คือสรุปแล้วท่านไม่ได้มอบให้พูดใดใครพูหนึ่ง เ, เมื่อเราล่วงรับไปแล้วให้พวกท่านทั้งหลายานับถือพระอานณนแทนเรานะาพระมาหากัสปาแทนเรานะหรือพระเถระแทนเราน ะ, อ, ะ, ะนานะองค์นั้นองค์นี้แลืกลุ่มพระสงฆ์เป็นผู้แทนเราแต่ถาคตพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ตรัสอย่างนั้นท่านบอกว่าธรรมและวินยัยนั่นแล จะเป็นศาสดาของพวกท่านทั้งหลาย เ, าเมื่ อ, อถ้าหากว่ารำและวิในยยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตถาคตก็ยังอยู่ตราบนั้นพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นจริงถ้ า, าว่าทำและวิในพวกเรายัางเคารพกฎกติกากยังเป็นผู้มีศีลอยูอ่อยู่ตราบใด เราก็ยังเป็นพระอยู่ตามไรศาสนาของพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่ตราบนั้นแต่พวกเราไม่มีศีลซะไม่เคารพ ก, กฎกติกาซะเอ่พากันนุ่งกางเกงซะเอไว้ผมยาวซะเอ่ยทตัวเหมือนคราวญทุกอย่างศาสนาของพระพุทธเจ้าจะยังจะอยู่ได้อย่างไรหมดเพราะศีลและวินยัยกฎระเบียบมันหมดไปแล้ว ศาสนาของพุทธก็หมดไปเพราะนั้นที่พุทธศาสนายังมีอยู่ก็เพราะว่ากฎระเบียบวินัยของพระสงฆ์เนี่ยพระสงฆ์รักษากฎเนี่ยกติ ก, กากฎระเบียบวินัยของพระพุทธเจ้ายังอยู่เพราะนั่นศาสนาของพุท ธ, ธยังอยู่แต่บางท่านบางคงว่าตัวเองพูดทุกเป็นธรรม แต่ดูๆแล้วมันเปรียบเทียบกับหลักพระธรรมวินัยแล้วมันมันเข้ากันไม่ได้มันมีแต่พูดเฉยๆอันนั้นก็ยังใช้ไม่ได้เหมือนกันนะเพราะนั้นทมและวินยัยศีลและวินยัยให้ศึกษาเปรียบเทียบพอยังมีอยู่ในพระไตรปิฎกครบถ้วนบริบูรณ์อันนี้ก็คือการเป็นอยู่ของพระสงฆ์สำหรับฆราวาสญาติโยมก็ เป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรสำหรับกระว اة าให้ยึดพระไตรสระคมให้ยึดผูดีคุณงามความดีพระไตรสระคมคืออะไรคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้เลิศประเสริฐอยู่แล้วเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ในยุคนี้ยุคสมัยนั้นก็ไม่มีใครที่จะยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเพราะนั้นเราจึงจิดพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างเป็นที่พึ่งเป็นสรรนะจากนั้นพระธรรมคาสอนของท่านที่ประกาศออกมาก็เป็นอันพระธรรมอันบริสุทธิ์ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นให้พวกเราศึกษาือสิบทธรรมข้อไหนบ้างที่ในหลักพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านะ ให้ฆ่าคนนั้นให้ขโมยคนนี้ให้เอาเปรียบคนนั้นให้ดูถูกคนนี้ให้พูดกระแนกกระแดคนนั้นดยกแยงคนนั้นให้ทะเลาะกันสั่งให้คนนั้นฆ่ากันเ อ, อเอาเงินไปจ้างเขาตัวเองไปฆ่าเขาเมีไหมในหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะมีแต่ให้เมตบีเมตตาต่อกัน ให้รู้จักสูงให้รู้จักต่ำให้รู้จักสิ่งควรไม่ควรรู้จักพระคุณของปิดามารดาครูอุปชาอาจารย์วัยาวุฒิคุณวุฒิให้เป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนอย่าเป็นผู้แข็งกระด้งางอ่อันนี้ก็คือเนี่ยที่พระพุทธเจ้าสอนพระธรรมคําสอนของพุทธาเนี่ยไปศึกษาดูสิแปดหมืสี่พันพระธรรมมาขันล้วนแล้วแต่มีเหตุล้วนแล้วแต่มีผลล้วนแล้วแต่สอนให้คนเป็นคนดี อยู่ด้วยกันมากขนาดไหนก็ให้เป็นคนดีคิดดีทำดีพูดดีในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้คือพระธรรมพระสงฆ์ก็คือให้ผู้ที่เข้ามาบวชได้ฟังพระธรมรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดความพคารพนับถือเลื่อมใสว่าเออพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีเหตุมีผลเป็นนิยานกระทธรม นำมัพนำผู้ประพฤติปฏิบัติออกจากกิเลสหลากราคะโทสะโมหะแล้วก็นำให้คนผู้ปฏิบัตินั้นเป็นคนดีอยู่นักสถานที่ใดมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเกิดความพคารบนับถือเลื่อมใสของมาบวดพอมาบวดแล้วก็ปฏิบัติตามปฏิบัติธรรมตามขั้นตอนรักษาศีลอย่างไรทำสมาธิอย่างไรพิจารณาอย่างไร จนพ้นทุกในวัฏสงสารเป็นอริยะสง์เ อ, อเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าจากนั้นก็ได้นําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประกาศเผยแผ่บอกกล่าวพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้นะท่านตรัสอย่างนี้นะท่านแนะนําอย่างนี้นะถ้าไม่มีพระสงฆ์นําพระธรรมคําสอนออกมาบอกกล่าวพระพุทธเจ้าตัดรู้แล้วก็ประกาศพระธรรมแล้วก็จบจากข่าว น, นั้นะ คงมาไม่ถึงพวกเราตึ้ง2558ันหะ้าปีเนยเพราะฉะนั้นพระสงฆ์สาวกเป็นผู้มีพระคุณเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ยึดพระพุทธเจ้าเป็นบรมมครูพระธรรมคําสอนเป็นพระธรรมที่อันบริสุทธิ์ที่ทําให้พวกเราปฏิบัติตามแล้วรู้จริง ร, ร, รู้แจ้งเห็นจริงจากนั้นพระสงฆ์นําพระธรรมคําสอนออกมาประกาศเผยแพ่เป็นผู้มีพระคุณ สำหรับพวกเราเพราะนั้นท่านได้ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งยึดแนวทางที่ดีคิดดีทดําดีอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวจากนั้นเมื่อเราได้ศึกษาเราได้ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นํามาประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายวาจาใจของเราเลยถึอกายของเราคืออะไรในเมื่อเราเป็นครวญเราก็ต้องยอม ปฏิบัติพระพุทธเจ้าสอนให้รู้จักพระคุณอมารดาบิดาเป็นผู้เลี้ยงดูเรามาพ่อแม่เป็นผู้เลี้ยงดูเรามาเราเกิดมาจากไหนเราเกิดมาจากโผงไม้ใช่ไหมจอมปลวกใช่ไหมเกิดมาจากถ้ำใช่ไหมเกิดมาจากน้ําใช่ไหมชายเกิดมาจากแม่พ่อแม่เป็นผู้ประคบประงมเป็นผู้เลี้ยงดูเราเกิดมาจากพ่อแม่ในเมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วอเลี้ยงเด็กเป็นยังไง เราเห็นไหมนะท่านเลี้ยงดูเรามาเป็นยังไงเหมือนกันไหมไม่แพ้กันเหมือนกันออทั้งขี่ทั้งเหยียวทั้งอะไรทุกอย่างพ่อแม่เป็นผู้เลี้ยงดูเพราะท่านเมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วใหญ่ขึ้นมาขนาดนี้แล้วเมื่อเท่าพ่อแม่แกเท่าชราเราก็ควรจะเลี้ยงท่านต่อไต่อพระคุณต่อบุญคุณของท่านที่ท่านเลี้ยงดูเรามา อสิ่งไหนที่ท่านจะทําให้ท่านหนักใจทําให้จ่นทุกข์ใจทําให้ท่านไม่สบายใจเราอย่าทำํำเพราะเราใหญ่แล้วรู้แล้วเราเราได้รับการศึกษาแล้วได้ฟังแล้วยอย่างทุงลกหลวงพ่อพูดให้ฟังเดี๋ยวนี้แหละอไม่ได้ฟังนั่นไงฟังแล้วเดีไหมถูกต้องไหมที่หลวงพ่อพูดให้ฟังถูกต้องไหมถ้าถูกต้องเออเอานําไปปฏิบัติเละ เมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบตอบยังไงอตอบบุญคุณของท่านเราก็หาเงินให้ถ้าพ่อแม่ของเราทุกข์ยากลําบากเราก็เอาหาเงินส่งเงินให้พ่อแม่ได้ใช้เมื่อท่านเหมือนกับเราเนะี่ยเมื่อเราหิวอาหารพ่อแม่ก็เลี้ยงดูเราในเมื่อพ่อแม่เฒ่าแก่ะลาท่านเลี้ยงตัวเองไม่ได้เราก็ต้องเลี้ยงท่านนะแต่ท่านไม่อดไม่อยากร้องพ่อ ท่านไม่อดไม่อยากนี่แหละเสียงไหนก็ตามถ้าว่าท่านทำทาถ้าเราทำลงไปแล้วทำให้ท่านหนักใจท่านไม่สบายใจท่านทุกข์ใจกับเราอย่าทำในเรื่องนั้นถึงเราอยากจะทำก็ไม่ควรจะทำาพราะทำให้ท่านไม่สบายใจกับเราเอออันนี้ก็คือรักษาน้าใจของท่านเหมือนกันแต่เมื่อท่านทุกข์ยากด้วยปัจจัยสี่เราก็หาปัจจัยสีให้ท่าน ถ้าหากว่าท่านมีความทุกข์ใจเราก็อย่าทําในสิ่งที่ท่านทุกข์ใจเราก็หาสิ่งที่ท่านให้มีความสุขใจทดแทนพระคุณท่านเนี่แหละเมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบอแต่สมัยเมื่อเราเป็นเด็กเราเป็นทุกข์เป็นร้อนร้องหมร้องไห้ใช่ไหมแม่ก็มีแต่โ อ, โ, อโอ้ขย่าวซ้ายขย่าวขวาเวียงหน้าเวียงหลังจะทายังไงให้ลูกสบายใช่ไหม ทำให้ลูกตัวเองสบายให้หยุดร้องไห้ฮอันนี้ก็เหมือนกันเน่ะเพื่อพ่อแม่ไม่สบายใจเราก็ยิ่งไปกระแทกกระทั่งเข้าไปมันก็ไม่น่าจะถูกเหมือนกันอ่ะเราก็ต้องทําให้ท่านสบายใจในเรื่องที่ท่านเป็นทุกข์ใจกับเราอยู่นี่แหละเมื่อพ่อแม่เลี่ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทํากิจธุระของท่านดํารงวงศกุลประพฤติตนให้สมควรควรรับทรัพย์หมรลอด เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านนะอันนี้เป็นหน้าที่ของบุตรธิดาลูกหญิงลูกชายทุกคนจะต้องคิดนะอันนี้เลยคือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธ้าวนี่คือพระธรรมนะที่ท่านสอนให้พวกเราเป็นคนดีสรุปแล้วจากนั้นเมื่อเป็นคนดีแล้วให้รักษาศีลชำรวงกายของเราสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าคิดฆ่ากันเนอะ จะคิดค่ากันเมื่อเราคิดค่าเขาคิดค่าเราเนี่ยสินห้าของพระพุถยาวเราคนระวังรักษาสินรักษาทานและก็ศสินการเป็นอยู่จากนี้เรื่องภาวนานสํารวมใจดูใจของตัวเองใจของเรามันคิดอะไรเนี่ยคิดไปทางโลภคิดไปทางโกรธพิษไปทางหลงคิดไปทางราคาอะอย่างเนี้ย ดูซิดูใจของตนเองมันถูกไหมในขณะที่คิดนั่นนก่อนที่จะดูใจของตนเองได้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้มีสมาธิก่อนนะถ้าไม่มีสมาธิมันดูไม่ได้หรอกตามตามไม่ทันมันคิดไปที่ไหนก็ไม่รู้ล่ะเพราะมันตามไม่ทันเพราะเราไม่มีเราไม่มีเชือกนะไม่มีสติสัมปชัญญะอะไม่มีเชือกมัดมันมัดคอมัน มัดคอจิตมัดคอตัวผู้รู้นะมันตามไม่ทันเพราะฉะนั้นต้องมีสติตังในปัญงท่านจึงให้ตั้งสติสัมปชัญญะเนี่ยพอตั้งสติแล้วทำยังไงแต่ในนั่งสมาธิกำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้ามีสติมีสติหายใจเข้ามีสติในรู้ว่าหายใจออกมีสติรู้ว่าหายใจเข้ามีสติให้รู้ว่าหายใจออก นี่หกำหนดสติอยู่กับที่ปลายจมูกในเมื่อเูเราร่ามีสติอยู่ตรงนี้แล้วนะจิตของเราก็จะรวมเน่งหยุดจุ ด, จดจุดคิด น, ะนี่แหละการหยุดคิดจุดนี้แหละเ่วสมาธิแหละนะจิตที่เป็นสมาธนะิมีความสุขนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสนัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนะ อันนี้ก็คือเมื่อจิตสงบแล้วนะี่นิ่งนะ่เราก็รู้ได้ไว่าใจของเราคิดอะไรอนะมันคิดไปทางชั่วมันมันมีอะไรมันดีอะไรนะก็ค้นหาความชั่วในเรื่องที่มันคิดที่มันอยากจะได้มันอยากจะเป็นมันอยากจะทําจุดนั้นะมันมีประโยชน์อะไรอนะพอเค็ดไปจุดๆไปแล้วก็นนะี่มีแต่เรื่องทุกข์ถามึงทําทํามึงคิดไปยังเนี่ย เออมึงจะคิดฆ่าเขาเนี่ยเมื่อไปฆ่าเขาแล้วเนี่ยมึงจะไปไหนมึงก็ฉะใจกูจริงอยู่แต่มึงติดคุกนะเอ่อมึงติดคุกอยู่ในตารางเน่ะมึงมีความสุขไหมเออไล่ไปเรื่อยๆจากนั้นมันก็เออเจตที่เป็นสมาธิดีแล้วเนี่ยมองเห็นได้ออดกั้นไว้ดีกว่าไม่ถึงร้อยปีต่างคน ต, งต่างตายแล้ววะ่ะเออมันม น, ม, นมันไม่ตายกูก็ตายกูไม่ตายมันก็ตาย่ยาไปหาฆ่ามันทาไมวะ อแต่จะหลบก็หลบหนีซะหลบไปที่อื่นซะอย่าพูดอย่าเหตุจะดีกว่าในะสิ่งเหล่านี้ถ้าว่าเราจิตใจของเรามีสมาธิในจิตใจของเราะเราจะมองเห็นได้ความดีความชั่วสิ่งควรไม่ควรถูกต้องไม่ถูกต้องการะเทสาการสถานที่บุคคลเราจะรู้ได้เอนะเพราะจิตใจของเราอยู่กับตัวเรื่องสมาธิจากนั้นกับปัญญาคลี่คลายดูเหตุและผลในเรื่องการเป็นอยู่ นี่แหละหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าสรุปแล้วตั้งแต่เบื้องต้นมาให้ยึดพระไตรสารณคมคือ ย, ยึดผู้ดีคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างนั้นท่านสอนอย่างไรก็ได้นำมาประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายวายใจใจของเราจากนั้นจากนั้นพวกเราเป็นเป็นพระที่ดีเป็นคนที่ดีเป็นาศาสนพุทธาศาสนิกชนที่ดี เออคนดีเป็นยังไงอยู่ด้วยกันมากมายก็มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขนะัลูกหลานนะถ้ามีแต่เลวแต่เลวคนชั่วอยู่ด้วยกันเนยฮามิตรทุกนะ่ะหักเล่หักเหลี่ยมไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันพอเหลือเพอหน่อยเดียวก็เมียดฝันหลังเสียบหลังกันเออไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันจะหาความสุขได้ที่ไหนโลกเนี่ยเพราะฉะนั้นให้พวกเราเอาศีลธรรมคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเข้ามานํามั่ง ประพฤติปฏิบัติแล้วมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขนะตอนนี้ไปรับพรในทันทีนะพระสงฆ์อนุโมทนาให้พร